Baby, can't you see I'm calling a guy like you should wear เผลอแค่นิดนึงอ่ะ 6 กุมภาพันธ์ปี 2554 เป็นช่วง เปิดมาทาง i Radio <ใช>ก็ Radio Comment ในรูป i Radio ใช่มั้ยอ่าคําถามอ่าอ่า พี่ปิ๊นแรงดันเออตัดไปเลยไม่สนไปอ่าเมื่อกี้ 14 14 กุมภาพันธ์จะ คอมพิวเตอร์ Facebook อยู่ก็พิมพ์ facebook.com/clubหาแฟนclubhafan แล้วใครคิดว่าจะ ฮัลโหลครับน้องปิ๊วๆปิ๊วๆค่ะค่ะเออโอเคก็เรื่องอะไรครับเป็นอะไรอ่ะเรื่องเด็กคนนั้นก่อนอันดับแรกอ๋อพอ เออคุยคุยไปก่อนเนาะแค่นั้นครับแล้วโทรมาคืนนี้จะคุยประเด็นหรืออืออืม ตอนนั้นคบกันตั้งค่ะแต่ทีนี้มันมีเริ่มที่จะอ่าต้องเออ อะไรอย่างงั้นค่ะไม่ใช่ๆๆเค้าเป็นคนเรื่องธรรมะทำโมอ่ะค่ะอะไรไม่นั้น เออเค้าไปที่ไหนมาแล้วองค์ลงหรือเปล่าคะไม่ค่ะเค้าประมาณว่าอยู่เค้า อ่าพอ 6:00 น. เสร็จก็ต้องเอาละอ้าวไปสวดมนต์มาก็ยิ้ม โอ้โหมาแล้วแล้วอืมอะไรยังไงครับก็ประมาณนั้นแหละครับเออไม่ชวนแล้วก็คือเออชวนยังเออแล้วนี้ ทีนี้อ่าใช่ค่ะครับอ่าอืม เราไปเที่ยวไปเฮฮาเฮ้ย ไม่เคยเจออะไรที่มันอืมอาทิตย์เราก็ไม่โทรหาเขาด้วยค่ะ อือเอองงนะตกลงตกลงเค้าทําธรรมะธรรมโมประเภทไหนวันนี้เออหนูก็เออกลับมาเจอเราไงคือ เราเลิกกันถึกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ไปบวชมั้ยตอนแรกเค้าก็ร้องไห้ ทำอยู่แล้วก็กลับก็คือไปนอนหอเพื่อนก่อนนะค่ะคือก็รีบไปแบบว่าคุณมายังอืมแล้วนี่เค้าก็เลิกติดตามหนูแล้ว แล้วแล้วตั้งแต่นั้นนะคะเด็กๆก็แบบพูดด้วยความโมโหมากแก๊สเราอย่างเงี้ยๆไปเลย ทำไงก็โอเคอ่ะแล้วก็รู้สึกตอนนี้เอ่อเหตุ รอแต่ว่าเค้าก็มีแฟนแล้วอย่างเงี้ยอ้าวเออแค่เออ 2 ยังค่ะยังยังน่าโอเคจดไว้เป็นอย่างนั้น ยิงฝันอ้าวนั่นน่ะมาแล้วครับเหมือนกันเออมาละครับคุณอะไรเอ่ยครับครับอ๋อครับ ฟังใช่ ก็เอ่อแล้วเป็นไงได้ไม่ได้เลวร้ายอ่าโอเคขอให้เจริญเจริญแล้วอ่า เคยมีใครเปลี่ยนมั้ยประมาณครับแล้วเราก็เปลี่ยนยังไงเอ่ยอืมผมเปลี่ยนก่อน อยู่อยู่กับอ่ะคือเข้าเข้างาน 11 10:00 น. อ๋ออ่า แต่ใช่บักมีเวลาเจอกันเพราะว่าอ่า 2 ก็โอเคเออแล้วแบบเออคีโนกเป็นโอ๊คคีว้าเป็นไม้นะเพราะเออทําเออเออตามตาม แต่เคยจับแต่ให้เออแล้วแล้วมันจะครับครับเอออ่าแต่ ข้อเข้าออกอ่าครับอ่าคือพี่อ่ะ คงยังไม่ตื่นทําสระ <เอ อ. S 2> 15 20 <เอ อ. S 2> นาทีอือนะ แต่ในสายที่เค้าที่อืมแล้วอ่าพอนี้เสร็จแล้วก็เออ หาคําเลยขอโทษเรื่องอะไรคนนั้นคือในเออทําเลยแบบโทรกลับไปแต่เค้าเออเออเค้าก็เขาบอกว่าเออทํา ก็ขอๆแล้วอ่ะมันๆเรื่องของอ่าเป็นแก๊งควางนะครับแล้วเพื่อน เอ่อแล้วเขาบอกเค้ามีแฟนครับครับก็เลยโทรกลับไปแล้วเค้าอืมครับใช่เค้าก็อืมโอเค รู้เลยครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนอือเอ่อแล้วบอกคือครับ เออก็จบไปใช่มั้ยเค้าเปลี่ยนอย่างแรงเลยน้องฮาร์ฟค่ะพี่พี่วิทยาครับมี เหมือนว่าช่วงตรงหน้าอกอือแล้วอืออ่าแล้วผมก็ถามอาการเค้ามันเป็น เค้าเค้ามีความเสี่ยงมาประมาณเท่าที่คือคนที่ใช่แต่แล้ว ไม่มีไม่มีนะแต่ผมก็ถามครับอืมครับแต่พอครับอ่าผมก็เลยถาม อย่าคิดมากมันโค้ชไปอือเค้าอยากจะตรวจมั้ยคือ ถ้าคิดสว่างในตอนนั้นมึงเป็นแล้วต้องพูดโห่อีกจ้ะเออคิดว่าเออมึงเป็นแล้วมึงก็ ที่ที่โรงพยาบาลอย่างหรือสาขาที่ไหนสักอย่างนี่คะที่เขาบอกชื่อผมจํา อยากจะรักษาสุขภาพที่ดีแล้วก็มีคนคุยเรื่องสุขภาพกับ เอาเรารู้ว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่ามันได้เป็น ไม่คิดคําโอเคให้เค้าโทรมาในรายการใช่กลัวแล้วก็เผอิญเป็นอืม อ่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสียงแบบนี้ปล่อยพี่ๆ เสียงทุรทรวงอ่าเอาตอนนี้ฟังได้ยินชัดเจนครับแต่ตอนนี้ตอนเออดีแล้วครับปรับ ปรับให้มันนี่คนคนข้างๆเช 2 ฮะ ชัดหรือเปล่าภาพชัดเจน 3 มิติเลย <c oughs> 3 มิติเลยครับคุณเดียวคิดเรื่อง เปลี่ยนเค้าเปลี่ยนไม่ไม่คนคนดีๆๆๆๆติดตาที่เค้าขอแอเปอ้วก ก็คงไม่ไปยุ่งเออเปลี่ยนอย่างนั้นเลยเปลี่ยนไปเลยเออเออไม่ต้องมาขอ คนคนใหม่ไม่เปลี่ยนอ่าโอเคยืนยังไม่เปลี่ยนคนปัจจุบัน นายคำถามก็ได้แล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปอ๋อ อืมบอกเออหารูปให้คน คุณพัทพี่ปินแรงบอกว่าพี่ปิ๊นเป็นอ่ะ เรื่องเมื่ออาทิตย์ที่เอ่ยเออ เขาสูงมากอ๋อคือคนนี้เดี๋ยวต้องบอก 9 9 3 4 เออไป 27 อ๋อยศอ๋อ เขาเป็นคนเหรอคะเยอะขนาดจริงเรารู้แล้วคือ เขาเขาทําให้เราอ่ะพี่เหรอคือคิดว่าคิดยังไงอ่ะใช่แบบดีขึ้นเออนะคราว อ่าอ่ะเรียว First อิมเพรสชั่นเลยเออมีเออคงแล้วแล้ว แล้วแล้วยังไงล่ะก็ปล่อยอืออยากได้ก็สายเธอทําเธอทําอย่างกับไอ้นี่เลย ใช่เออยังไม่เจอกันมีอย่างก็มีเอออ่าอ๋อแล้วเธอเออก็ อ๋อเหรอเออแล้วแล้วเห็นเอออ่ะเออ เขาเขาสูงมากครับพี่ๆไปรู้จักกันว่างานใช่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ อาจารย์อาจารย์อ๋อเป็นอาจารย์ท่านนึง วันนี้น้องกุมความลับเข้าไว้เลยนะเออเออๆอะไร 14 14 ไม่ได้พาอ๋ออ่า 14 เท่านั้นนะที่ไปถึงจะรู้ว่า MMS ผ่าน m ก็นี่ ดีเทลอะไรแล้วคุยกันแล้ว พี่เอจอดิสเพลย์ MS Messenger ส่งมา Bangkok Lenovo โอเคเออส่งไม่เป็นเหรอครับพี่ attach file แค่เนี้ยส่งไปเป็นไงจ๊ะส่งรูปมา attach file เออ 14 แล้วเออไม่เอาฉันโยนไม่อ๋อเออแต่ว่าเจแบบ please เออเออนะโอเคน้องหา ขึ้นหน้าโอเคโอเคขอบคุณครับอ่าขอบคุณเดี๋ยวค่ะสวัสดีจ้ะ